พวกเราเป็นชาวพุทธศาสนกชนสิ่งที่พวกเราควรจะมีก็คือศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาคือมีความเชื่อในพระ พ, พระธธรรมและพระสงฆ์เพราะนี่คือจุดเริ่มต้น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 พระพุทธเจาพยายามส่แสวงหาครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดยอมสละลาจสมบัติที่เป็นสิ่งที่ปรารถนาและรักสงวนของปวงมนุษย์ทั้งหลายไป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 ก็ตกอยู่ในสภาพอันเดียวกันเมื่อตกอยู่ในสภาพที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องทุกข์เหมือนกันองค์จึงไม่มีความเสียดายในพระราชมบัติในความสุขของพระราชโอรสทรงยอมสละความสุขเหล่านี้เพื่อออกแสวงหา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 สอนได้ก็เพียงระดับแค่ชั่วคราวคือสอนให้จิตเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบเวลาที่จิตรวมเข้าสู่ความสงบการกระทำต่างๆก็ยุติลงชั่วคราวความคิดปรุงแต่งหยุดทำงานตันหากิเลส ท, ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์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 เช่นราไม่สบายใจกับบ้านของเราบ้านของเรามันจํารุดสุดโทรมเราก็ไปซ่อมมันไปแต่งมันไปทําอะไรกับมันแต่มันก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็เสียอีกไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราไปแก้ถ้าเราไปแก้อ่างนอกมันก็แก้ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาใหม่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 ว่าอย่าไปทำให้เสียเวลาเลยอย่าไปทำตามความอยากเพราะความอยากจะไม่หมดไปตามการกระทาตามความอยากแต่จะกลับเป็นการต่ออายุหรือเพิ่มอายุของความอยากให้ยาวออกไปคนสมัยนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินแทนที่จะหยุดกิน mm. ก็กินมันแต่แล้วก็ไปออกกำลังกายเป็นเต้นแรงเต้นกา เป้นร่างเต้นการเหนื่อยมันก็อยากจะกินออกมันก็กินอีกกินเท่าไหร่เต้นเท่าไหร่ออกกาลังเท่าไหร่มันก็กลับไปกินอยู่ดีเพราะมันอยากกินมันชอบกินต้องเห็นโทษของความอยากกินของความชอบกินว่ามันเป็นปัญหาเป็นตัวปัญหานี่คือความโง่ของคนฉลาดแสนฉลาดทำไรทำได้หมด มนุษย์เราสร้างจรวดไปถึงไหนถึงกันไปได้สร้างรถยนต์สร้า ง, างอาตึกรามบ้านช่องอาคารถนนหนนทางผลิตสินค้าต่างๆร้อยแปดพันประการออกมาทําได้หมดแต่ดับความอยากไม่ได้ตัวเดียวสู้มันไม่ได้ไม่ยอมหยุดไม่ยอมสู้มันยอมรับใช้มันพร้อมที่จะรับใช้มัน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 พอยิ่งทำตามความอยากความอยากก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วก็จะทําให้ต้องเป็นทาตุของมันเวลาทําตามความอยากไม่ได้ก็หโกรหจิตลาคาญใจอแล้วก็ระบายออกไปทําให้คนอื่นเขาลาคาญทําคนทําให้คนอื่นเขาเบื่อที่หน้าเราะใครชอบอยู่กับคนอยากมาก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 วิธีเข้าไปในใจก็คือทำใจให้รวมเป็นสมาธินี่ที่เราฝึกสมาธิกันนี่ก็เพื่อดึงใจให้เข้าข้างในตอนนี้ใจเราชอบออกข้างนอกชอบออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดพพะชอบไปดูชอบไปฟังชอบไปลิมรส ด, ดมกลิ่นชอบไปสัมผัสกับผดพปะชนิดต่างๆเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็มองไม่เห็น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 แต่มันก็เป็นมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่หาคู่ไม่ได้จะได้ไม่ต้องเหนื่อย <Okay. S 2> คนที่คนที่มีคนชอบมากๆเนี่ยเป็นคนมีกรรมเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้ mm hmm. มีคนมาตอมอยู่เรื่อยคนที่ไม่มีคู่ไม่มีคนมาตอมนี่สบายต่้มใจได้ง่ายกว่า mm hmm.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 มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับของพระพุทธเจ้าทุกประการไม่มีความโลภโกรธต้งไม่มีความอยากต่างๆไม่มีความทุกข์ต่างๆมีแต่ปรมังารย์สุ ข, ขังไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็นําเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาต่อไ ป, ปภายในเวลาระยะเจ็ดเดือนแรกนี้ สามารถผลิตผ้าอาารันขึ้นมาได้ถึง 1,250 รูปเป็นอย่างน้อยเพราะในวันนั้นคือวันเพ็ญเดือนส7เดเดือนหลังจากที่ประกาศพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8ก็คือวันอาสาหาบูชาแล้วพอถึงวันเพ็ญเดือนสมก็เป็นวันมาคาบูชาก็ราปรากฏมีพระอาารัน 1,250 รูป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 แต่วันนั้นท่านเกิดมีความปรารถนาที่อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมาโดยที่ไม่ได้ทัดหมายกันมาก่อนอจึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มาสัจจันท์สำหรับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่มีพระอ า, า, าลามตถาวกถึงหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสอนก็ดี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 มีการเจริญรากก็ต้องมีการเสื่อมรากมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ก็คือสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี่องได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลามีก็สุขเวลาได้ไปเที่ยวนี่ก็สุขพอต้องอยู่บ้านไม่ได้มีอะไรทําก็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 อยู่นโลกนี้มีใครไม่นินทาเรามั้งไหมโดนอยู่เรื่อยเดี๋ยวคนนั้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าอแต่เราชอบให้เขาสรรเสริญอย่างเดียวแต่เราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าสั่งให้เขาสรรเสริญเราอย่าอย่าว่าเราได้ไหมไม่ได้พอาะเขาว่าเราเราก็ทุกข์ความสุขก็เหมือนกันเวลาอยู่กับแฟนก็สุขเวลาทะเลาะกับแฟนก็ทุกข์เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ทุกข์ นี่แหละคือโลกธรรมแปดที่เราอยู่แล้วเราสัมผัสแล้วเราที่เราทุกข์ก็ทุกข์กับไอ้แปดตัวนี้หรือสี่ตัวนี้อยู่ที่ความเจริญกับความเสื่อมถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นอยู่แบบนักบวชไม่ต้องมีเงนินอาศัยข้าวเขากินของเขากินไปวันๆตามมีตามเกิด ปัจจัยสี่ก็อยู่ไปตามมีตามเกิดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องไปหามันหาความสุขทางใจภาวนาเดินโยมกลมนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณฑ์แล้วเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะเราสามารถผลิตความสุขนี้ได้เรื่อยๆ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 สบายกว่ามันไม่มีอารมณ์เหมือนคนคนใช้นี่บางทีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ทําให้เราหรือมันแกล้งทําให้เรากับข้าวที่มันทํานี่มันถุยน้ําลา ย, สายใส่เราเกินแล้วปากมันอ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่เวลาคิดว่าเป็นชูรส <c oughs> พอเดียวมันก็มาผสมกับน้ําลายของเราอยู่ดี น้ำลายของเขาและน้ำลายของเราก็เหมือนกันเพราะาะนั้นอย่าไปอาศัยร่างกายพยายามมาอาศัยเราดีกว่าเป็นที่พึ่งของเราเองนี่แหละอัตตาหีอัตโนนาตถตอนเป็นที่พึ่งของตนตนสามารถผลิตความสุขให้กับตนเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาผลิตให้กับเราต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญา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 อิชิตังปัติต um ังตุมหังคิปะเมวะสัมิจตุสัเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะวะโสยถามณิโชติอาวะโสยถาสัพพิต so ิโยวิวัจจันตุสัพพารุโคลวนัสตุมาเตปวัตวันตรายยสุขีธีกายุโกภะ อาพิวาตนศสีฤทธานิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทาติอายุวันโสุขังภาลังการนิทรการพระอาจารย์นะคะคือในกรณีนั่งสมาธิอันนี้นคะจะต้องนั่งตรงหน้าพระพุทธรูปหรือนั่งตรงที่ไหนๆก็ได้คพระพุทธเจ้าตัดตาลูหน้าพระพุทธรูปว่า นั่นเนลิเราถามทำไมฮึ <c oughs> ถามเขาั้น <c oughs> ามมี <c oughs> เดี๋ยวมีคำถามผ่าน <c oughs> ทางทางอินเทอร์เน็ตนะส่งไปทางนี้ไปต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำถามแรกจากคุณอุเทนพง์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 เหมือนเด็กยังเรียนไม่จบม .8 จะเข้ามหาอะไรเข้าได้เข้าแล้วก็เรียนไม่จบเรียนไม่ทันเขาสู้เขาไม่ได้เพราะเรายังไม่พร้อมกำลังเรายังไม่มีอยู่ม .4 อยากจะเรียนมหาอะไรก็เลยไปเรียนมหาอะไรเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องเรียนก็เรียนไม่จบเสียเวลาไปเปล่าการปฏิบัติจึงต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ ปฏิบัติตามความอยากแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษเด็กอัจฉริยะบางทีอายุสิบเอ็ดสิบสองก็เข้ามหาลัยได้ก็มีอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษบางคนมีปัญญาเฉียบแหลมคมมีสมาธิมาดั้งเดิมมาแต่ชาติก่อนพอพิจารณาปัญญาก็บรรลุได้อันนี้ก็ไม่มีใครห้าม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 คนที่ก็มีปัญญาเขาไม่ต้องมาถามวิธีแต่คนที่เขาจะเจริญปัญญาเขาไม่ต้องมาถามวิธีเจริญปัญญาคนที่ถามก็แสดงว่ามันยั ง, งโง่อยู่มันงโง่แล้วมันจะไปเจริญปัญญาได้อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญามันเป็นเรื่องความรู้รอบตัวไม่ใช่มาคอยถามคนนู้นคนนี้ว่าทํำยังไงวะ คนที่จะเข้าสู่ปัญญานี่เขารู้แล้วเขาพร้อมแล้วเขารู้ว่าต้องพิจารณาอย่างไรแล้วเขาต้องเจริญปัญญาอย่างไรเขาก็ทำเข้าไปเลยคนที่โง่มันไม่ไม่รู้จักทำต้องไปถามคนอื่นเ้าก่อ น, นแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะเจริญปัญญาคำถามคำถามคำถามต่อไปจากคุณมหาช้างช้างสี่แก้ว ตอนนี้มีเรื่องอารมณ์ทางการมตัณหามาลบกวนขณะภาวนาพิจารนาอสุภาแต่ก็สู้ไม่ไหวเป็นเพราะสติเรายังมีไม่พอใช่ไหมครับแล้วจะมีอุบายอะไรมาต่อสู้กับตัวอารมณ์การมตัณหาครับก็ต้องเจรญอสุภาตั้งแต่ตื่นจนหลับเอาลูปเอาลูกอสุภาปะไว้ที่ตามบ้านตาม ประตูถามหน้าต่างมองไปทางไหนก็เห็นแต่าสุภาษะเราพยายามน้อมเข้ามาอยู่ในใจให้มันตั้งอยู่ในใจให้ได้หลับตาก็เห็นดืงตาก็เห็นเหมือนกับเวลาที่เราหัดท่องสูตรคูณเราก็ต้องเดินท่องไปเรื่อยๆนั่งท่องไปเดินท่องไปนอนท่องไปสอ ง, สองคูนสองเป็นสี่สองคูนสเป็น8ท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะฝังอยู่ในใจแเรา เราก็ต้องระลึกถึงภาพอสุภะอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเราถ้าเราทําได้ก็แสดงว่าเรามีสติแล้วมีสติที่จะระลึกถึง อ, อสุภะได้พอเกิดการมโลมขึ้นมามันก็ปุบขึ้นมาเลยพอปุบขึ้นมาปับ๊บมันก็ดับปั๊บไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเพียรกันเพียรเจริญสติในในกรณีนี้ก็คืออสุภะ อสุภะก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นกรรมฐานหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาตัวนี้คือการอารมณ์นี้เราต้องเจริญอสุภะกรรมฐานอยู่เรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณชัเอมแก่นนาลงข้อที่หนึ่งในขณะนั่งสมาธิอยู่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 เหนืแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวนี่แหละคือใจพอเรารู้แล้วทีนี้เราก็จะได้ใช้ความรู้นี้มาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายทํามาจากดินน้ํานมไฟสิ่งที่แก่เจ็บตายก็คือดินน้ํำลมไฟหรืออาการ32เช่นผมผมมันแก่แก่อย่างไงจากสีดํามันก็กลายเป็นสีขาวหนังมันแก่งไงหนังมันจากที่มันเคยตึงมันก็เหี่ยว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 อันนี้ก็เป็นวิธียากกายออกจากใจขั้นถาวรขั้นนสมาธิมันการยากกันชั่วคราวเวลาจิตสงบมันก็เหมือนกันนอนกันคนละห้องสามีอยู่ห้องภรรยาอยู่ห้องแต่พอออกจากห้องมาเจอกันข้างนอกห้องก็มารวมกันอีกนี่เวลามารวมกันก็ต้องใช้ปัญญาแยากพิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยว่ามันเป็นเพียงดินน้ำนมฝสมันเป็นเพียงอาการสามสิบสอง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 ต้องเห็นครบทั้งสี่ส่วนเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากถึงจะบรรลุธรรมได้คำถามคำาต่อไปข้อที่สองขณะที่นั่งสมาธิเกิดความรู้สึกวืบเหมือนเข้าพวังไปแล้วเห็นภาพโครงกระดูกขึ้นมาเลยพิจารณาว่าภาพที่เห็นว่าใช่ของจริงหรือไม่ แล้วกระดูกนั้นก็หลุดออกจากการภาพที่เห็นก็หายไปก็กลับมารู้ตัวรู้ลมรู้พุทโธอีกครั้งการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมคะจะว่าถูกก็ถูกจ่ว่าไม่ถูกก็ไม่ถูกคือเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็คื อ, อให้ใจสงบให้ว่างไม่ให้มีอะไรต่างๆให้รับรู้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 พอหลังจากที่เรามีกำลังของอุเบกขาแล้วทีนี้เราค่อยออกมาพิจารณาที่หลังก็ได้พิจารณาว่ามันเป็นอย่างไรมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อมันเป็นอสุภะก็ว่าไปเพื่อจะแก้ปัญหาที่เรายังติดอยู่ถ้าติดเรื่องการอารมณ์ก็ต้องแก้ด้วยอสุภะถ้าติดด้วยความกลัวตายกลัวเจ็บก็ต้องพิจารณา ความตายพิจารณาความเจ็บการจะพิจารณาความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บปล่อยให้มันเจ็บแล้วให้มันดับไปเองเมือมันไม่ดับก็อยู่กับมันได้เพราะมันไม่ดุนแรงไอ้ตัวที่ดุนแรงไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปเราต้องดับตัวนี้ต่างหากดับตัวนี้ก็คืออยากไปอยากให้มันหายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป พอรับไหวมันเจ็บใจเราจะไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์ใจเป็นโอเบกขาก็จะไม่สะทกสะทานต่อความเจ็บของร่างกายาก็จะผ่านทุกขเวทนาไปได้เวลาเจอความตายก็ต้องปล่อยให้ร่างกายมันตายไป อ, อย่าไปกลัวอย่าไปหนีความตาย อ, าอยู่เฉยเฉยมันจะไปก็ให้มันไปใจทําใจใจทําใจเฉยเท่านั้นเอง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 เพราะมันไม่ได้มีใครจะมาบังคับตัวคุณเองได้ตัวคุณเองจะต้องเป็นตัวที่ต้องบังคับตัวของคุณเองปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เห็นความทุกข์เท่า น, นั้นเองเดี๋ยวเวลาไปเจอความทุกข์แล้วมันจะแก้ไม่ได้นะตอนนี้มันไม่มีความทุกขนะ์แต่พอเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่มันอาจจะถึงกับค่าตัวตายาคำถามต่อไปจากคุณปาดบุญสุวรรณ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 ปรากฏการ์แบบนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าจิตมันทะเลทลัยอสิเราจากสมาธิเรามาแล้วควรที่จะให้มันเห็นตายรักอย่าไปให้มันเห็นอย่างอื่นการไปเห็นอย่างอื่นมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นไปเพื่อการดับความทุกข์เราปฏิบัตินี่เพื่อต้องการดับความทุกข์เราต้องการเห็นอสุภาพเห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา การไปเห็นชาติก่อนเป็นอย่างไรมีอะไรนี้มันไม่เปิดประโยชน์กับการปฏิบัติทางวิปัสสนาไม่เกิดประโยชน์ในการดับตัณหาความอยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตเราทะเลาไหลไปรู้เรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์กับการปฏิบัติก็ควรที่จะหักห้ามจิตใจอย่าไปอย่าปล่อยให้มันไปในทางนั้นมันจะเสียเวลาไปเปล่า ควรที่จะเดึงมันมาให้มาดูอสุภะดูความแก่ความเจ็บความตายดีกว่าเพื่อเราจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ทุกข์กับมันการไประลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตมไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาในปัจจุบันของเราได้ข้อที่สองเวลานอนจะ ก, กำหนดดูลมและหลับไป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 ต้องการจะเรียวิปัสสนาต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกก็คือต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติตลอดวันทั้งวันเลยสตินี้เราทำได้ตลอดเวลาทำไมท่องพุโทโธคำเดียวท่องไม่ได้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดได้ทั้งวันอวห้คิดพุดโทโธคำเดียวคิดไม่ได้เอคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามนะคะ รักษาศีลห้าสามารถละกิเลสได้หรือไม่ครับศีล น, นี้เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนรัว้วคือกั้นกิเลสท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ถ้าศีลขาดเมื่อไหร่มันก็กิเลสมันก็จะทะลักออกมาทันทีเหมือนกับเราทําค้อกกันวัวกันควายไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าเกิดรั้วมันพังขึ้นมาเดี๋ยววัวควายมันก็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 ถ้าอยากจะให้มันไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับนต้องฆ่ามันต้องเอามีดเอามาฟันคอมันเลยตัดคอมันให้ขาดมีดนี่ก็คือปัญญาต้องมีปัญญาแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาฆ่ามันได้ต้องจับมันมาผูกไว้กับเชือกกับเสาก่อนให้มันอยู่นิ่งๆถ้ามันยังวิ่งได้นีไปเอามีดไปไล่ฟันมันก็จะฆ่ามันลาบาก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 ไม่ให้มันดิ้นได้พอมันดิ้นไม่ได้เราก็ค่อยเอามีดมาฟันมันได้นีก็เหมือนกันเราต้องมีศีลก่อนเพื่อที่เราจะได้เจริญสติได้เมื่อเราเจริญสติเราก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วเราก็สามารถใช้ปัญญามาฆ่ามันได้คําถามข้อสุดท้าย เราสามารถแลกเงินจากซองทำบุญได้หรือไม่คะเพราะบางคนเข้าใจว่าเป็นเงินที่คนทำบุญจบถวายมาแล้วเพื่อทำบุญถ้าเราไปแลกมาจะเป็นบาปคะ่ะถ้าเราแลกด้วยความโลภ ก, ก็ไม่ดีเหมือนกันเช่นเห็นแบงค์ใหม่เราก็อยากจะ <c oughs> เรีอนเอาแบงค์เก่าไปอย่างนี้ก็บาปเหมือนกันเพราะความโลภแต่ถ้าแลกเพราะความจำเป็นเช่น มีคนเขาใส่เงินมาแล้วขอขอร่วมด้วยแนละ้วมันมีต้องต้องมีเอาเงินทอนอะไรอย่างนี้เอก็ไปเอาเงินเสษเงินอีกซองหนึ่งมาใส่เปลี่ยนกันอะไรอะไรอย่างนี้ถ้าทําด้วยเหตุผลก็ไม่บาปทําได้แต่ถ้าทําเพรา ะ, ะเห็นแบงค์เขาสวยเลขมันดี <laughs> อยากจะมีไว้เป็นครอบครองนี้ก็บาปแล้ว ถ้าแบบว่าแตกจากแบงค์พันเป็นเราอยากจะได้แบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบอะไรเนี้ยถ้ า, าอยากโดไม่มีเหตุมีผลก็บาปแต่ถ้าว่าสมมติเร า, เ<อ>ามีแบงค์พันเราอยากจะทำห้าร้อยอย่างเงี้ยเราต้องขอเงินต้องขอคืนห้าร้อยแล้วก็ไปไปแลกออกมาจากเงินครองของคนอื่นก็ได้แต่อยู่ในเนี้ยเรามีเงินพันแล้วเราอยากจะทําแค่สองร้อยเราก็ไปหาเงินแปดร้อยในนี้ออกมาแล้วก็ทําแค่สองร้อยอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลก็ไม่เป็นปัญหา ก็ไม่ได้ทําด้วยความโลภไงแต่ถ้าทําให้ว่าแบ่งนี่เลขสวยนี่แบ่งใหม่ยังไม่มีรอยยับเลยอย่างนี้ก็เป็นความโลภแล้วก็ไม่ดีถึงแม้จะไม่บาปถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการลักทรัพย์ก็เหมือนก็ยังเป็นเป็นความโลภอยู่ที่เราไม่ควรที่จะส่งเสริมเพราะมันติดเป็นนิสัยไป แล้วถ้าเกิดใครอยากได้แบงค์ย่อยเพื่อไปใช้อย่างอื่นแบบไปใช้เพราะามันเป็นแบงค์พานอยู่อะคะ่ะหลวงพ่อแต่ก็ไม่ได้ทําบุญเนี่ยเขาขอมาแลกใช่ไหมค่ะก็ต้องถามเจ้าของก่กอนะถามเจ้าของขอแลกได้ไหมขออนุญาต ก, ก, ก่อนถ้า่ขาอนุญาต ก, ก็แลกได้ที <c oughs> น, าานี้ใครเป็นเจ้าของไม่รู้ถ้ามาถวายเราทีนี่ใครเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเรื่องคนถวายเป็นเจ้าของ ก็ต้องเป็นคนที่เจ้าของก็ต้องถือว่าเขาสละสิทธิ์แล้วใช่ไหยก็ต้องเป็นของเราก็ต้องมาขออนุ ญ, ญาตจากเราก่อนถ้าเราอนุ ญ, ญาตก็โอเคมีคำถามเพิ่มเติมค่ะหลวงพ่อจากคุณยวพาพอนะคะฝันเห็นพระอาจารย์ให้มาฟังธรรมะบนเขาพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์หยุดแล้วเมื่อไหร่โยมจะหยุดหมายความว่าอย่างไรคะ